พุทธวัตรสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพคะพุทธวัตรสวัสดีเป็นคํากล่าวทักทายกันของรายการนี้สำนัชนีสนทนาทางสถานีวิทยุ FM ฟเอร้และสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเพื่อต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของการที่ท่านจะได้ฟังคําขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับตั้งแต่ตอนต้นของรายการเลยนะคะเรียกว่าเป็นรายการที่อยากให้ท่านได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ก็คือฟังพุทธวจนะและนำสิ่งที่ได้ฟังแล้วมาทำให้แจ่มแจ้งในช่วงที่เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะค่ะสำหรับในห่วงเวลาที่ผ่านมาสัปดาห์ก่อนในรายการนี้เนื่องจากว่าพระคุณเจ้าที่ร่วมอยู่ในรายการทั้งสองรูปได้มีโอกาสเดินทางไปยังสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียแล้วก็ไปในลักษณะที่พิเศษตามความศรัทธา และปฏิปทาของคณะนี้ก็คือศรัทธาในพุทธวจนะทำวินัยจากพุทธโอษการเดินทางไปครั้งนี้ก็จึงเดินทางไปพร้อมๆกับได้สาธยายพุทธวจนะและเราอยากจะให้ท่านฝั่งที่อยู่ทางบ้านเนี่ยนะคะก็ได้มีโอกาสเหมือนกับว่าได้ร่วมคณะเดินทางไปด้วยจึงได้นำเอาพระสูตรเหล่านั้นมาอ่านให้ฟังในรายการแล้วก็ มาขยายความให้ชัดเจนแจ่มแจ้งมากขึ้นในรายการเช่นเดียวกันเริ่มจากช่วงต้นของรายการโดยพระมาร์คฉากคาวะโรกันเลยนะคะน้มสักการะท่านคะเจริญพรวันนี้เรามาประพฤติปฏิบัติทางความเพียรพร้อมกับฟังพระสูตรที่เป็นพุทธวัจนะสามวันเทียบถึงนี้เราจะมาฟังเรื่องของการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประกาศธรรมจักเผยแผ่พุทธศาสนาออกไป ถ้าพร้อมแล้วเราก็มาทำความเพียรเผาเกศด้วยการเจริญอาณาปานาสติและฟังพระสุดแบบพร้อมกันเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายครั้งหนึ่งที่ตำบลอุรุเวลาใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราที่ต้นไทร เป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะเมื่อเราแรกตรัสรู้ได้ใหม่ๆความปริวิตตกแห่งใจได้เกิดขึ้นแก่เราขณะเข้าสู่ที่พักกำบังหลีกเล้นอยู่ว่านี่เป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและปริเทวะ เพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรุยายัตธรรมเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติปัฏฐานสีสีเหล่าไหนเล่าคือภิกษุเป็นผู้มีธรรมดาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเห็นจิต ในจิตเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นผู้มีเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมดัตในโลกออกเสียได้นี้แหละทางทางเดียวดังนี้ลำดับนั้นสัมบดีพรมรู้ปริวิตตกในใจของเรา จึงอันตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเรารวดเร็วเท่าเวลาที่บุตแข็งแรงเหยียดแขนแล้วงอแขนเข้าเข้านั้นครั้งนั้นสัมบดีพรมทำผ้าหมเฉวียงบ่าน้อมอัญเชลีเข้ามาหาเราแล้วกล่าวกับเราว่าอย่างนั้นแลพระผู้มีพระภาค อย่างนั้นแลพระสุคตนั่นเป็นทางทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียได้ซึ่งความโศกและปริเทวะเพื่อทำนิพพานให้แจ้งแล้วได้กล่าวดังนี้ว่าพระสุคตผู้มีธรรมดาเห็นที่สุดคือความสิ้นไปแห่งชาติ ผู้มีพระไทยอนุเคราะห์สัตว์ด้วยความเกื้อกูลย่อมทรงทราบทางเอกซึ่งเหล่าอรหันได้อาศัยข้ามแล้วในการก่อนและกําลังข้ามอยู่และจกข้ามซึ่งโอกขาได้ดังนี้ราชกุมารความคิดข้อนี้ได้มีแกเรา ว, ว่า เราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอใครจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้โดยพันหนอความรู้สึกได้เกิดแกเราว่าอาลานผู้กรรมกาลามโคตนนี้แลเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดมีเมตามีชาติแห่งสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตางแต่เล็กน้อยมานานแล้วถ้ากระไรเราควรแสดงธรรม แกอาลานผู้กาลามโคดนี้ก่อนเถิดเธอจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้เป็นแน่ราชกุมารครั้งนั้นเทวดาได้เข้ามากล่าวคำนี้แกเราว่าพระองค์ผู้เจริญอาลานผู้กาลามโคดได้กระทากาละเจดวันมาแล้วและความรู้สึกได้เกิดขึ้นแกนเราว่าอาลานผู้กาลามโคดได้กระทากาละ เสียจัดเสียเจ็ดวันแล้วอาลานผู้กาลามโครได้เสื่อมจากคุณอันใหญ่เสียแล้วเพราะหากว่าถ้าเธอได้ฟังธรรมน้ไซยจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้โดยพลันดังนี้ราชกุมารความคิดข้อนี้ได้เกิดมีแกเราว่าอุทกะผู้รามบุตรนี้แลเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดมีเมตา มีชาติแห่งสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยมานานแล้วถ้ากระไรเราควรแสดงธรรมแก่อุตกะผู้รามบุตรนั้นก่อนเธอจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้เป็นแน่ราชกุมารเทวดาได้เข้ามากล่าวคำนี้กเราว่าพระองค์ผู้เจริญอุตกะผู้รามบุตรได้กระทํากาละเสียแล้วเมื่อตอนดึกคืนนี้แล้ว และความรู้สึกอันนี้ได้เกิดแก่เราว่าอุทะกะผู้รามบุตรได้กระทำกาละเสียเมื่อตอนดึกคืนนี้แล้วอุทะกะผู้รามบุตรได้เสื่อมจากคุณอันใหญ่เสียแล้วเพราะหากว่าถ้าเธอได้ฟังธรรมนิสัยเธอจักรู้ทั่วถึงธรรมโดยพลันเทียวเราจักแสดงธรรมแกลครก่อนเล่าหนอใครจักรู้ทั่วถึงธรรมนี้โดยพลัน ดังนี้ราชกุมารความคิดอันนี้ได้เกิดแก่เราว่าภิกษุปัญจวคีได้อุปถากเราเมื่อบำเพ็ญความเพียรเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เราถ้ากระไรเราควรแสดงธรรมแกภิกษุปัญจวคีก่อนเถิดราชกุมารความสงสัยเกิดแกเราว่าบัดนี้ ภิกษุปัญจวคีอยู่ที่ไหนหนอด้วยจักขุเป็นทิพย์หมดจดล่วงจักขุสามัญมนุษย์เราได้เห็นภิกษุปัญจวคีผู้อยู่แล้วที่เมืองพาราณสีณป่าอิสิปตนะมฤคขไทยวันณราชกุมารครั้งนั้นครั้งเราอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาตามพอใจแล้วได้หลีกไปโดยทางแห่งเมืองพารานสีดังนี้ เดี๋ยววันนี้เราได้รู้เรื่องมาสมควรแก่เวลาแล้วก็ปฏิบัติมาสมควรแก่เวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาฟังเรื่องที่พระองค์ได้ไปเมืองพารานาสีกันต่อสำหรับวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้ครับได้น้อมการึกขอบพระคุณค่ะ